เราไปก็ว่าโดยธรรมะทายาสูตรว่าดยผู้รัมบมรดกของธรรมะในธรรมะทายาสูตรนี้กล่าวไว้ในมัชฌิมันิกายมูลปานณาสเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงพระสูตรนี้ในขณะที่ประทับอยู่ที่เชตวันอารามของท่านนาาปิิกะเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถี พุทธเจ้าก็ตรัสเป็นพุทธพจน์บอกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพวกเธอจงเป็นธรรมทายาทของเราอย่าเป็นอามิสทายาทเลยแล้วก็บอกว่าเราเอ็นดูเธออยู่ว่าทําอย่างไรหนอสาวกของเราจะเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิสทายาทแล้วก็ตัดชี้ลงไปว่าหากพวกเธอเป็นอามิสทายาทของเราไม่เป็นธรรมทายาท ไม่ก็จะถูกวินยูชนตีเตียนว่าสาวกของพระบรมศาสดาเป็นอมิษฐญาตอยู่ไม่เป็นธรรมทายาตเห็น ไ, ไหมว่าคือหนึ่งตัวเธอเองก็ถูกตําหนิประการที่สองแม้เราก็จะถูกวินยูชนตําหนิเช่นกันเห็น ไ, ไหมคือทั้งทั้งสาวกทั้งพระบรมศาสดาก็จะถูกตําหนิทั้งคู่หากพวกเธอเป็นธรรมทายาตของเราไม่เป็นอมิษฐญาต ก็จะไม่ถูกวินยูชนติเตียนว่าสาวกของพระาศาสดาเป็นนมิสถานญาติอยู่ไม่เป็นธรรมดายาตแม้เราก็จะไม่ถูกตีเตียนด้วยวินยูวินยชนเช่นกันแต่พระพุทธเจ้าอ้างเหตุตรงเนี้ว่าถามว่าพระพุทธากลัวการถูกตําหนิไหมไหมเพราะถ้าใครตําหนิพระพุทธเจ้าเนี่ยบาปออาศุลกรรมันล้อัญชุะช้าก็จะเกิดกับคนที่ตําหนิก็เลยบอกว่าเอาละ เธอก็ไม่ถูกตำหนิด้วยและเราก็ไม่ถูกตำหนิด้วยเหตุผลเมื่อใครมาตำหนิเธอหรือตำหนิตัดพระตถาคตก็เป็นการตาหนิพระรัตนตรัยบาปศุลกรรมท่านเศร้าหมองก็จะเกิดกับบุคคลที่เขาตาหนิเน้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละพวกเธอจงเป็นธรรมทายาทของเราเถิดอย่าเป็นนมิตรสถายาเลย แล้วก็เพราะเราเอ็นดูอยู่ว่าทําอย่างไรหนอสาวกของเราจะเป็นธรรมทานย่าตไม่เป็นอวิสตายาตแต่ตรงนั้นประเด็นตรงนั้นก็ชัดแล้วอีกประเด็นหนึ่งท่านก็เลยยกเรื่องภิกษุ2รูปขึ้นมากล่าวให้เห็นว่าในบรรดาภิกษุสองรูปนะั้นะรูปหนึ่งคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสวยเสร็จห้ามพักเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ้นสุดภารกิจเพียงพอต่อความต้องการแล้วแต่บิดาบาตของพระพุทธเจ้ายังเหลือจะต้องทิ้ง หากเราจะไม่ฉันบัดนี้พระ อ, องค์ก็จะทิ้งลงบนพื้ น, น, นที่ปราศจากของเขียวห ร, หรือไม่เทลงในน้ําที่มีตัวสัตว์แต่พระ อ, องค์ตรัสว่าพวกเธอจงเป็นธรรมทายาธของเราอย่าเป็นอมิตสธายาธเลยบินบาบัดนี้เป็นอะไรอมิเป็นอมิตสอาหารก็เป็นอมิตรที่อยู่ก็เป็นอมิตรเครื่องลูกห่มก็เป็นอมิตรและยาก็เป็นอมิตร มีเป็นปั จ, จยามิตรอามิตรคือปัจใจสิท่านเห็นอย่างนี้ปุ๊บท่านก็บอกไม่เอาแล้วเราจะไม่ติดอยู่แค่อาการกินแล้วยอมยอมหิวนี่แหละแต่ให้สังเกตตัวนะทางที่ดีเราจะไม่ฉันอาหารบินาบาทแล้วปล่อยวันและคืในให้ผ่านไปอย่างนี้ด้วยความหิวและอ่อนเพลียนไม่ได้ทากิจในการเข้าถึงธรรมะแต่ว่ายังตระหนักในคําสอนอยู่เธอจึงไม่ฉันอาหารบินาบาตแล้วปล่อยวันคืในให้ผ่านพ้นไปด้วยความหิวและอ่อนเพลียนะ นี่ภิกษุรูปส่วนภิกษุรูปที่สองไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่าเ อ, อ้ออาหารอยังไงพุทธิย่าก็จะทิ้งแล้วพุทธเจ่าเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยอย่างนั้นก็นั้นเลยเราฉันดังนั้นเด้อเราควรฉันอาหารบีนบาศและจะได้บรรเทาความอ่อนเพลียเป็นต้นไปได้เลยเขาเลยฉันอาหารบีนบาตแล้วก็แล้วก็ทําให้วันคืนผ่านพ้นไปอย่างนี้ภิกษุสองรูปนี้ยฉันอาหารบรรเทาความเหนียวอ่อนเพลียแล้วก็ปล่อยวันและคืนให้ให้ผ่านไป แต่ภิกษุรูปแรกนั้นยังเป็นผู้ควรบูชาและควรสรรเสริญที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเพราะการไม่ฉันอาหารบิณฑบาตของภิกษุรูปแรกนั้นเป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นไปเพื่อความสันโดษเป็นไปเพื่อการขัดเกลื่อนเรียง่ายและก็ปราร้ความเพียตรตลอดกาลนานพระเจ้าก็เลยสรรเสริญรูปแรกนี้เป็นต้นทีนี้ประการต่อมาที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย S <S <an> ออก็เสด็จจากไปแต่เนี้ยต่อมาก็ภาษาริบุตรมาแสดงพระสูตรนี้ต่อบอกว่าท่านภาษาริบุตรกล่าวว่าเมื่อพระต้องการอยากจะฟังธรรมะต่อภาษาดิบุตรบอกใครอย่างนั้นท่านจงฟังนะท่านจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวบอกว่าผมจะกล่าวก็หมายความว่าท่านจงฟังให้ตั้งใจฟังด้วยสุดท้ายเกิดความเชื่อมัน่นจงใส่ใจให้ดีจงทําโยนิโสมนสัสกาให้เป็นผู้ฉลาดคิดและผมจะกล่าวว่าทำขยายความที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เนี่ยพระสูตรก็รับคา ทีนี้แล้วไปเลียกล่าวว่าเมื่อพระบรมศา ส, สดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกแต่สาวกไม่ประพฤติตามวิเวกด้วยเหตุอะไรบ้างคือพวกเขาไม่ละบาป ท, ที่พระบรมศา ส, สดาตรัสว่าควรละเป็นผู้มากมากยอดหย่อนถูกนิวรณ์ครอบงำแล้วก็ทอดทุระคาว่าทอดทุราในพระนิพพานก็คือไม่ขวนขวายบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อเป็นปัจจัยถึงพระนิพพานเขาเรียกทอดทุราในพระนิพพานวิเวกก็เลยมีสามอย่าง หนกายวิเวกสังกัดกายก็คือการหลีกออกจากหมู่คณะอยู่ผู้เดียววันหนึ่งเนี่ยอยู่กับหมู่คณะจริงแต่ต้องหาเวลาในการหลีกหลีกออกไปเพื่ออะไรเพื่อขัดเกลาวัวเองเนี่ยจิตตวิเวกเมื่อได้กายสงัดแล้วเนี่ยไม่ละคนด้วยหมู่คณะแล้วก็ฝึกจิตเขาตัวเองนั้นได้บำเพ็ญศีลสมาบำเพ็ญศีลกุศลศีลในบริบูรณ์แล้วต่อมาก็หลีกเล่นพอหลีกเล่นก็บำเพ็ญจิตภาวนานะ พอผมเป็นจิตภาวนานี่แหละจะได้จิตนั้นเกิดความตั้งมั่นจิตนั้นเกิดความเนี้ยแน่จิตอานหารจิตกระเริ่มจิตไม่มีของเสียจิตสะอาดเอี่ยมอ่องของจิตไม่มีมลทินแล้วก็จิตก็เป็นความสุขและเป็นฐานของสมาธิไอสมาธิที่เกิดขึ้นตามระดับต่างๆนี่แหละเขาเรียกอุบเขาเรียกว่าจิตตวิเวกก็คือการสงัดจากนี่บ่อนทั้งหลายเป็นต้นประการที่สามอุปัิวิเวกนีคือสัดจากกิเลส สงัดจากขันสงัดจากอภิสังขารกรรมก็คือพระนิพพานก็คือสลักกิเลสได้ก็เป็นอุปาิวิเวกไปอย่างนี้เป็นต้นพระบระมาศาสดาอยู่ด้วยวิเวกสามอย่างเนี้กเรียกว่าประพฤติถ้าสาวกไม่ประพฤติในวิเวกหรือไม่ทําตามพระศาสดาก็แปลว่าสาวกนั้นไปนติดเป็นแค่อมิสตหายาตไม่เข้าถึงธรรมะทางยาไม่เข้าไม่ได้รัก บ, บรารดกคือธรรมะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าประพฤติย่อหย่อน คำว่าย่อหยอนะ่อนนั้นหมายความว่าหมา ย, ยึดถือปฏิบัติตามคําสอนอย่างหย่อนหย่าก็คือไม่ปฏิบัติเห็นการขัดเกลาร์ตนเองจริงๆไม่ปฏิบัติตามเลยย่อหยอ่อนพระบรมศ า, ศ, าศาสดาสอนอย่างไรให้ประพฤติปฏิบัติอย่างไรตนเองก็ไม่ทำตามไอ้กรณีอย่างนี้ก็าเรียกย่อหยอ่อนคําว่าทอดทุราก็หมายความว่าใกล้การไม่บําเพ็ญอุปัติวิเวกให้บริบูรณ์ก็คือไม่บำเพญศีลสมาธิปัญญาเพื่อเป็นปัจจัยให้ ขจัดกิเลสและกองทุกข์เป็นต้นเหล่านี้อันนี้ก็เรียกทอดทิ้งหน้าที่ในเวกสาประการส่วนนิวรเนี่ยนิวรก็คือสภาวะที่กั้นความดีก็คือสมาธิและกัน้นสมาธิด้วยการปัญญาด้วย1กลามประชันทักความติดใจไปกัสรร์ก็คือความพอใจในกลางนี่นะความพอใจในสีที่สวยๆเสียงที่เพาะๆกลิ่นที่หอมๆรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มๆเนี่ยไอ้ลักรณีแบบเนี้ย ลับสนายอย่างนี้เป็นตัวกั้นความดีกั้นจิตของตัวเองไม่สามารถที่เป็นสมาธิได้จิตก็จิตก็เขาบอกอุปมาเหมือนกันน้ําที่ผสมสีเนี่ยถ้าเราต้องการอยากจะไปดูเงาตัวเองในน้ําก็ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดตามความจริงน้ําผสมสีแดงสี ด, ส ด, สดําสีเหลืองเนี่ยเนี่ยนี่เหมือนกันจิตที่ถูกการไปแขันท่าความติดใจไส่กระสันในกุง้งรุมก็ไม่สามารถถ้าอยู่ในภาชนะเนี่ยเอาสีไปละเลงเราชะโงกหน้าเข้าไปเนี่ย ไม่สามารถจะมองหน้าตัวเองในที่หินได้ชัดเหมือนกันในขณะที่จิตเนี่ยถูกการมะฉันทากุ้มรุมความจิตใจฝ่ายกระสันกุ้มรุมเนี่ยความอยากความต้องการกุ้มรุมเนี่ยจิตนั้นก็สัตสารจิตนั้นก็ไม่สงบจิตก็ไม่ราบเรียบเดินไม่ราบเรียบไม่อาจจะเป็นสมาธิได้ก็เล่นเครื่องขวางกั้นทําให้จิตไม่ไหลเข้าสู่สมาธิและปัญญาต้นทําปัญญาให้ซ้ำกาลังและอ่อนกําลังลงอันนี้เป็นตัวสําคัญเห็นไหมเนี่ย นักบวชก็ดีหรือบุคคลที่การฝึกตัวเองก็ดีก็ต้องระวังว่าอการมาฉันท่าความติดใจไปกสันสนี่แหละจิตที่มันร่านลนไปหาสีเสียงกินรสโผฏฐาพเนี่อันน่าปรารถนาหน้าใข้หน่าพอใจชวนนี้รักพักชักให้ไข่พา ใ, ใจให้กําหนักเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจิตมันร่านลนมันร้างไม่อยู่จิตก็จะเดินไม่เรียบไม่อาจจะเป็นสมาธิได้ยึดเป็นต้นประการต่อมาพยาบาทความโกรธความผูกโกรธความโกรธความอุดหนิด จิตมีแผลจิตมีกระทบกระทั่งเนี่ยนะีสภาพความโกรธไม่พอใจในไม่พอใจความหงุดหงิดความโกรธความราคาญ่ความไม่พอใจความพ ย, พยาบาทอาฆาตพวกนี้เนะีอันนี้จิตก็เดือดพล่านเหมือนอะไรเหมือนภาชนะใส่น้ําไปตั้งไว้บนเตาน้ําก็จะเดือดปุ๊บปุ๊ปปเจอเวลบุรุษต้องการอยากจะเห็นเงาหน้ า, นาตัวเองชังนกหน้าไปไม่สามารถจะเห็นได้แม้ชั้นใด สภาพจิต ท, ที่พบผ่านอยู่ตลอดเวลาไม่รเร่ารียบไม่นิ่งไม่สงบไม่อาจจะเป็นสมาธิไม่เข้าถึงความตั้งมัน่นหรือผ่องใสสะอาดเป็นต้นได้ฉะนั้นก็ต้องกําจัดมันกั้นจิตไม่สามารถทําให้เข้าถึงความดีเป็นต้นได้ผู้บวชเข้ามาที่จะมาฝุดขั ด, ขดกล้าวทั้งหลายก็ต้องขัดจัดไอตัวเนี้ยนะีขจัดไอกรรมไอตัวพยาบาททั้งหลายให้ออกไปนีนะ ข, จ, นนะขจัดตัวนี้ออกไปท้องนี้จะเป็นตัวกั้นความดี การสมาธิการปัญญาทําให้จิตเราไม่สามารถดึงดันก็เกิดความตั้งสงบด้วยความตั้งมั่นได้นี่เป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งเป็นสภาวะที่การสมาธิและการปัญญาประการที่สามขีนมิทะ <c oughs> ความง่วงเหงาซึมเศราไอ้ความง่วงเหงาซึมเศร้าเนี่ยเป็นจิตที่มีความมืดเซงซึมเบื่อท้อถอยหดหู่เนี่ยหดหูจิตหดหูสภาพจิตที่หดหูเหมือนอะไร เหมือนกระจอบแหนที่ปกคลุมในภาชนะใสน้ำมีจอบแหนเต็มไปหมดหรือในน้ำในบ่อน้ำฉะนั้นเราชะงงอกหน้าไปไม่สามารถจะเห็นเงาหน้าเราได้ว่ามีจอบแหน่ปิดบังอยู่ไหมชั้นใดฉะนั้ น, น, นจิตที่ถูกความเสื่องซึมห ง, งอยเหงาเนี่ยกระทบกระทั่งหรือกุ้มรุมอยู่ก็ไม่สามารถที่จะเป็นสมาธิได้เพราะเป็นจิตที่ซึมซาวเงาหงอยเซงเนี่ยไม่สามารถจะเดินได้อย่างราบเรียบได้ฉนั้นต้องขจัด สิ่งเหล่านี้ออกต้องทําความเพียนทำความบากบั่นขึ้นมากระตุ้นความรู้สึกกลับขึ้นมาเพื่อกระจัดความม่วงเหงาสึ้นขึ้นออกมันยึ่งจะสามารถเป็นสมาธิได้อย่างนี้เป็นต้นประการที่สี่อุทธิจักกุกุจกักความฟุ้งซ่านลาคาญใจฟุ้งซ่านลาคาญใจเนี่ยฟุ้งเนี่ยเป็นอุทธาจาัจัรําคาญใจเป็นกุกุจกักฟุ้งเนี่ยก็จิตที่รับอารมณ์นี่มันกุกุจักก็ลาคาญใจในทุกจริตที่ทําในสุดจริตที่ยังไม่ได้ทํา โอ้มันอยู่อดีตนานาคออดีตนานาคออย่างเงี้ยจิตไม่เดินเรียบเหมือนน้ําถูกลมพัดต้องลม ก, ลบบกลับพับกับเพื่อนตลอดเราไม่สามารถจะเห็นเงาหน้าตัวเอง ไ, ได้เมื่อชะงงหน้าไปดูในเงานานะ้ํานั้นเพราะมีลมพัดตลอดเวลาจิตที่ฟุ้งซ่านลคาคาญก็เหมือนกันจับรับอารมณ์ไม่มั่นเดี๋ยวอรอบอารมณ์นั้นรับอารมณ์านี้รับอารมณ์นั้นรับอารมณ์นี้คิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่อู้โอไปทั่วเลยเนี่ย สภาพจิตอย่างนี้ไม่อาจจะเป็นสมาธิไม่สามารถเข้าถึงความตั้งมั่นไม่เข้าไม่สามารถเข้าถึงความสงบราบเรียบบิ่นเป็นอารมณ์เดียวได้ท น, นี้เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคกั้นสมาธิและการปัญญาประการสุดท้ายวิจิกิจชาความรังเลสงสัยแต่ความรังเลความรังเลสงสัยนียเนน่เป็นสภาพจิตที่มืดเป็นสภาพจิตที่ดำสนิทเหมือนอะไรเหมือนน้ําที่ผสมโครนและต้มแล้วไปตั้งไว้ในที่มืด ฉะนั้นความลังเลสงสัยเนี่ยมันเป็นความหลงอย่า ง, างคเครียกโมมูห uh จิตจิตที่หลงอย่างยิ่งจิต ท, ที่หลงอย่างเหลือเกินนีจิตที่หลงอย่างมากมันลังเลสงสัยคิดอะไรไม่ออกมันเหมือนไปอยู่ทางสองแพร่งไปไม่ได้จิตก็ติดอั้นอยู่นั่นนะจิตอั้นไม่สามารถจะเดินเรียบเดินราบไม่สามารถจะเดินต่อไปได้เพราะมันคิดอะไรไม่ออกมองอะไรไม่เห็นมันมีลังเลสงสัยปิดกั้นไปหมดเลยเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยเป็นปิดกั้นสมาธิด้วยปิดกั้นปัญญาด้วย นี่ลักษณะอย่างเนี้ยภิกษุเหล่านั้นทั้งที่เป็นพระเถระตั้งแต่10บพรรษาขึ้นไปมัชชิมา ต, ตั้งแต่10ลงมาจนถึง5นวกะ ต, ตั้งแต่5ลงมาจนถึงบวชใหม่เนี้ยก็จะถูกติเตียนด้วยเหตุ3ประการหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกไม่ปฏิบัติตามวิเวกพระบรมศาสดาอยู่อย่างกา ย, ยาวิเวกสงัดกายก็คือหลีกเล่นออกจากหมู่อยู่คนเดียวเป็นระยะระยะ เรากลับไม่ทําตามมีทุกปีเตียนนะสไม่ฝึกจิตวิพภะบรมศาสดาฝึกจิตวิเวกได้ปฐมฌานทุติยฌานตัดติยฌานตาาระฌานอารมณ์ฌานที่1นึ่งพระเจ้าอยู่ในสมาบัติตลอดฝึกจิตตนเองตลอดแล้วพระเจ้าก็ถึงอุปธิวิเ ว, พวกพระเจ้ากําจัดกิเลสได้แล้วกำจัดขันสังขาพรพระเจ้ามีพระนิพพานเป็นไปเรียบร้อยแล้วแต่สาวกของของพระองค์อ่ะกลับไม่ประพฤติตามวิเวกเหลยนะนี่ถูกตําหนิข้อแรก ข้อที่สองสาวกไม่ละบาป ท, ที่พระบรมศาสดาตรัสรว่าควรละกายยทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตใช่ไหมบาปอุสรกรรมมันชั่วร้ายเนี่เป็นสิ่งที่ควรละแต่สาวกไม่ละบาปนี่ถูกตำหนิข้อที่2แนละ้วประการที่สมสาวกเป็นผู้มักมากย่อหย่อนถูกนิวรณ์ครอบงำทอดทุราในในพุทธศาสนาหรือทอดทุราในพระนิพพานทิ้งพระนิพพานเนี่ยไม่น้อมใจไปในพระนิพพานนี่สาวกก็ถูกตำหนิเป็นผู้มักมากย่อหย่อนแล้ว ถูกการมาฉันท่ปยาบาทีนะมิท่าอุจากกุกจ่และวิจิกจฉากุ้มรุมนี่นะีแล้วก็ทอดทุลาด้วยทอดทุละคือการไม่บำเพ็ญอุปถิวิเวกให้บริบูรณ์อีกอย่างหนึ่งก็หมายถึงการทอดทิ้งหน้าที่ในวิเวกทั้ง3ามเลยทอดทิ้งทั้งกายวิเวกจิตตวิเวกและอุปถิวิเวกเมื่อพระบรมศ า, าสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกแต่สาวกไม่ปฏิบัติตามวิเวกด้วยเหตุเท่านี้เนี่ยจะถูกตําหนิแล้วทชจริงเน่ยตนเองถูกตําหนิด้วยพระบรมศาสดาก็จะถูกตําหนิด้วย อาการต่อมาความประพฤติตามวิเวกเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่อย่างวิเวกแต่สาวกประพฤติตามวิเวกด้วยเหตุอะไรบ้างก็คือเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่อย่างวิเวกสาวกในพระธรรมวินัยนี้ประพฤติตามวิเวกละบาปที่พระบรมศาสดาตราตัสว่าควร ล, ละและก็ไม่เป็นผู้มากมากไม่เป็นผู้ย่อหย่อนไม่ถูงนิวรณ์ครอบงำไม่ทอดทุระในพระนิพพานบรรดาภิกษุระนั้นภิกษุผู้เป็นเถระมัชชิมะหรือนาวากะเป็นผู้ควรซาลเสริญด้วยเหตุ3ประการดังที่เด็ก ตรงกันข้ามนะนนสาวกในพระธรรมวินัยนี้ประพฤติตามวิเวกในสาวกในพระธรวินยัยอย่างพวกเราทั้งหลายก็ประพฤติตามกายวิเวกแล้ก็ฝึกฝึกหลีกเล่นก็ขัดเกล้าตัวเองกายวิเวกอีก ม, มุมหนึ่งหมายถึงละกายทุจริทธวิจีทุจริทด้วยเนี่ยคือการประพฤติสิ่งที่ละความชั่วทางกายได้หมดเนีทางวาจาได้หมดเนี่ยจิตวิเวกก็หมายความว่าบําเพ็ญสมาธิอุปทิวิเวกเดินวิปัสสนาญาณจนสามารถากําจัดกิเลสและกองทุกข์ได้ เนี่ยเราพึ่งตามวิเวกสาลาบาปที่พระบรมศาสดาตรษษัสรว่าควรละกายทุตจริตวจีทุจริตมโนทุจริต น, นี่เป็นบาป ท, ที่ควรละเป็นต้นและเป็นผู้ไม่มักมากไม่ย่อหย่อนไม่ถูกนิวรณ์ครอบนำไม่ทอดทุราใน พ, นพันิพานเมื่อพระบรมศาสดาเนี่ยอยู่อย่างมีวิเวกสาวกเชื่อพึ่งตามวิเวกด้เหตุเพียงเท่านี้แหละเท็กซูที่เป็นพระเถระอุปสดอุปสมบทกระสีพรรษาขึ้นไปส่วนมหาเถระก็นับตั้งแต่นี่แหละ20่พรรษาขึ้นไปนะ มัชิมาก็ตั้งแต่อุปสมบทจนถึงตั้งแต่ห้าภาษาขึ้นไปจนถึงเก้าเนี่ยนาวากาก็เริ่มบดใหม่ไม่เกินห้าเออในเทศนาข้างต้นเนี่ยมัชชิมาปฏิปทาคืออะไรมัชิมาปฏิปทาก็เรียกปฏิปทา่าำกลางหรือข้อปฏิบัติให้ดำเนินไปตามสายกลางนี่โลภ <c oughs> และโทสะเป็นบาป โลภะก็เป็นที่สุดส่วนอย่างหนึ่งโทสะก็เป็นที่สุดอย่างหนึ่งนะความโลภความกําหนดเนี่ยความโกรธเนี่ยมัชฌิมาปฏิพทานอยู่มีอยู่เพื่อละโลภะละโทสะก่อให้เกิดปัญญาจักสูบนะเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อรู้ยิง่งเป็นไปเพื่อความตับทุกข์เป็นไปเพื่อพระนิพพานฉะนั้นมัชฌิมาปฏิพทานก่อให้เกิดจักสูคือปัญญาเป็นไปเพื่อความสงบกิเลสเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานคืออะไรเนะี่ย ตรงนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์แตรงนี้แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าโลภะก็เป็นที่สุดอย่างหนึ่งใช่ไหต้องอ่านด้วยที่ตรงนั้นเนี่ยโทสะก็เป็นที่สุดอย่างหนึ่งต้องอ่านด้วยอะไางเยอะครับท่านต้อ ง, งมีอายุทั้งหลายบรรดาธรรมเหล่านั้นโลภะและโทสะเป็นบาปเป็นธรรมรามก มัชฌิมาปฏิปทามีอยู่เพื่อลัโลภะและโทสะเป็นปฏิปทาเกาะให้เกิดจักสุและเก่อให้เกิดยานสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้เพื่อนิพพานเออโอเคนะตรงเนี้ยอย่างนี้ตรงนี้พระเจ้าตราัสบอกว่าโลภะเนี่ยเป็นบาปเป็นธรรมที่ลา ม, มกด้วยเนาะเป็นที่สุดอย่างหนึ่งโทสะก็เป็นที่สุดอย่างหนึ่งเป็นบาปแต่มัชฌิมาปฏิปทาเนี่ย ปฏิปทาถ้ำกลางหรือทางสายกลางเป็นไปเพื่อละโลภะเป็นไปเพื่อละโทสะก่อให้เกิดจากสู่คือปัญญาเป็นไปเพื่อความสงบระงับกิเลสเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อตัสรู้เป็นไปเพื่อพระนิพพานมัชิมาปฏิปทาที่ก่อให้เกิดจากสุหรือปัญญาเป็นไปเพื่อสงบเพื่อลมยิ่งเป็นไปเพื่อพระนิพพานคืออะไรก็คือสัมมาทิฏฐิเนี่ยความเห็นชอบนั้นหมายถึงเห็นในริยะัี่นะสัมมาสังกัปปะก็คือความดำรีชอบก็ดำริในกุศลสังกัปปะสาม สัมมาวาจา ก, การกล่าววาจาชอบคือเว้นจากวจีทุติยฤสีสมมากรรมันตาก็คือการกระทําชอบก็คือเว้นจากการยุจริยฤสาสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบก็คือการงานที่เว้นจากการยุทธิยฤสามวจีทุจริยฤสีสัมมาวิยามะเพียรชอบในนั้นคือเพียรในสมมติประธานทั้ง4สัมมาสติความลึกชอบก็คือระลึกในสติประฐาน4มีกายานุปัสนาเป็นต้น สมาสมาที่ความตั้งมั่นชอบที่คือฌานทั้งสี่มีปฐมฌานเนี่อริยมรรคยี่องค์8นี้คือมัชจิมาปฏิปทาขอให้เกิดจากสู่คือปัญญาเป็นไปเพื่อความสงบกิเลสเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อตัดสรุเพื่อพระิพานนะนี้ตรง น, รงนี้ตรงนี้ยังไม่ขยายก่อนในเทศนาข้างต้นเนี่ยในความโกรธเนี่ยโกทะก็เรียกความโกรธอุปนาหะคือโผลโกรธเป็นบาป ม, มัชจิมาปฏิปทามีอยู่เพื่อละโกทะและอุปนาหะ ก่ให้เกิดจากสู่คือปัญญาเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อรู้ยิ่งเพื่อถัดสรู้เพื่อพนิพาณอันนี้ก็มรรคโยงแปที่กาเมศครูเนี่ยสมาธิถี่สมาสังขป า, านี่แหละมรคขาดความลบหลู่คุณท่านปราศาดความตีเสมอก็เป็นบาปใช่ไหมทั้งสองอย่างเนี่ยแล้วก็มัชิมาปฏิปทาก็เป็นไปเพื่อล้านี่แหละละมรคขาดความลบหลู่ท่านปราศาดความตีเสมอท่านนี่แหละนั้น สมาธิถี่สมมาสังฆปาสมาวจาศมากรรมตตาสมาชิวะสมมาวิมารสมาสติสมาสมาธิก็เป็นไปเพื่อระบบาปสองอย่างนี่แหละอิสาความริษยามัชย์ความตณีเป็นบาปไหมเป็นบาปใช่ไหมเป็นอักกุศลแต่มัชฌิมาปริบัตาปริบัตาท่ามกลางก็คือมรรคมีองแปดก็เป็นไปเพื่อละสองกิเลสสองกลุ่มนี่แหละทั้งอิสาและมัชย์มายามายาเจ้าเรศัตย์ยะโออวดอันนี้ก็เป็นบาปการเดินศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมีองแปดก็คือต้องการละมายา เจ้าเลขก็สายเถี่ยวโอ้อวดนี่แหละเพราะะั้นเธอทำพระความเป็นคนหัวดื้อสารพัดความแข่งดีอันนี้ก็เป็นบาปเป็นอกุศลปฏิปทาท่ามกลางอาริยมรรติองค์แก็เป็นไปเพื่อกระละกิเลสสองกลุ่มนี่แหละมานะความถือตัวอติมานะความดูหมิ่นท่านก็เป็นบาปเป็นอกุศลธรรมเวลามกมัชฌิมาปฏิปทาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปัปปะสัมมาวจาสัมมารกรรมตะ สมาคือว่าสมาวิมาสมาสติสมาสมาธิก็เป็นไปเพื่อละกิเลส2กลุ่มนี่แหละมัทะความมัวเมาประมาทความประมาทก็เป็นบาปมัชฌิมาปริปทาปฏิปทานที่จะเป็นไปเพื่อละมัทธะและประมาทะก่อให้เกิดปัญญาจากสู่เป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อแต่สรู้เพื่อพระนิพพานเเข้าใจนะใช่ไหมนั้นเอ่มัชฌิมาปริปทาก่อให้เกิดจากสุคือปัญญาเป็นไปเพื่อควสงบกิเลสรู้ยิ่งเพื่อแต่สรู้เพื่อพระนิพพานคืออะไรก็เนี่ยมารุยงแปดอย่งที่ได้กล่าวนี่สรุปจบลงในลักษณะแบบนี้ จบลงก็คือสแสดงมรรคี8อาตอนไปขยายพขพูดถึงในหัวใจของในการในธรรมยทายาสูตรพูดถึงในเรื่องคำว่ า, าศาสนะทายชาศาสนะทายชาก็แปลว่าการรับอมรดบนี่เป็นสาระของพระพุทธศาสนาะที่บอกว่าบุคคลเนี่ยอันบุคคลพึงให้เพราะเหตุนะั้นจึงที่ว่าทาย ก็มองถึงในลักษณะบอกว่ามรดกเนี่ยกับผู้รับมรดกคนที่จะสามารถรับมรดกได้ก็ต้องเป็นบุตรธิดาเนี่ยแล้วรับมรดกจากพ่อและแม่ในศ า, าสนาเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อมีธรรมะเป็นประดุจแมนะ่นั้นฉะถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่เป็นพ่อเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็น าศาสนาทายัตชก็คือหรือพุท ธ, ธทายัตชัการรับเอามรดกของพระเจ้าก็แปลว่าเราเนี่ยเป็นาศาสนาทายัตชก็หมายความว่าการรับมรดกแห่งศาสนาการรับเอามรดกของาศาสนาแล้วก็เป็นทายาทนั่นเองทีนี้มรดกของพระเจ้าของาศาสนามีสองอย่างใช่ไหม ในภาษาสนามีซับที่เป็นมรดกอยู่สองอย่างคืออามิสมมรดกกับธรมมะมรดกปัจจัยสี่กีวร อ, อาหารบินาบาตเสนาสนะที่อยู่และก็ยาเนี่ยชื่อว่าอามิสอามิสมรดกมรดกคืออามิสเห็นไหมคนระัทีนี้มรดกคืออามิสเนี่ยก็มีที่อยู่อาศาายัยข้าวหนงหอมยาอาหารเป็นต้นเนี่ยของใช้ทั้งหลายที่เราได้มา ที่เป็นมราระดกในฐานะที่เป็นนักบวชที่เราเข้ามาเนี่ยในฐานะเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะใช้ที่อยู่อาศัยเครื่องนหมหยาหที่พระเจ้ทาทรงอนุญาตให้อันนี้เกิดด้วยเดชบุญของพระเจ้ทาทายกธายิกาทั้งหลายพุทธบริษั์ทั้งหลายเข้ามาถวายก็บูชาใครบูชาพระเจ้าก็เคารพพระเจ้านี่แหละเขาเลยมาสร้างปฏิวิหารสร้างที่อยู่อาศัยถวายอาหารทั้งหลายเนี่ยเขปาปรพาพระพระเจ้านั่นแหละเพือะงนันนี่พระเจ้าก็เลยทรงอนุญาต ปัจจัยสี่เหล่านี้ที่โยอาศัยเครื่องโน้มหงายาอาหารเนี่ยให้กับทายาทของท่านซึ่งบุคคลที่บวชเข้ามาเนี่ยก็เลยกลายเป็นทายาทของพระพุทธเจ้านี่เป็นอา ม, มิสมระดกนนส่งหนึ่อีกอย่างหนึ่งก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคยงแปดที่เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยสมาธิถีความเห็นชอบสมาสังกป่าความดำํำรีชอบสมาธิถีความเห็นชอบคือคู้เห็นแจ้งในอริยสัจส สัมมาสังกปรตมรีชอบคือํหรีในกุศลสังกปราสามมรีออกจากการมริในการไม่พยาบาทมริออกจากการไม่มรีมริในการไม่เบียดเบียนสัมมาวาจาการเว้นจากวจีทุจริตสสัมมากรรมันตาเว้นจากกายทุจริตสมสัมมาชีวะการงานที่เว้นจากกายทุจริตสาวจีทุจริตสสัมมาวิมารก็คือเพียรชอบในที่นั้นเพียรในสัมมาประธานทั้ง4ี่เพียรละบาเป็นต้น สัมมาสติก็คือระลึกในสติปัฏฐาน4มีการเจริญอาณาปณะสติเป็นต้นสมาสมาธิก็คือการเจริญฌานทั้งสี่มีปฐมฌานเป็นต้นเป็นอาทิจิตตะศิขาอันนี้เป็นธรรมมรดกศีล ส, สมาธิปัญญานี่แหละเป็นธรรมมรดกวิสุทธิเจตมีศีลและวิสุทธิจิตตวิสุทธิเป็นต้นและสติปัฏฐาน4ี่สัมมาปัฏฐาน 4, าสี่อธิบาท4อินทร 5, 7, ีย้าพลาหโพชฌงเจ็ดมรดยองแปด รวมเป็นโพธิปักเคียะธรรมสาสิบเจ็ดประการอันนี้เขาเรียกธรรมะมรดกในศาสนานี้มีมรดกอยู่สองประการนี่แหละก็คืออมิสมระดกแล้วก็ธรรมะมรดกทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นธรรมะทายาทอย่าเป็นอมิสทายาทของเราเลยก็หมายความว่ า, วาถ้าเกิดมาเข้ามาบวชเนี่ยโอ้โหดีแล้วพระพุทธเจ้ามีทรัพย์เยอะ ใช่ไหมมีวัดเยอะแยะหมดในโลกใบ น, นี้มีสถานที่เยอะแยะหมดที่เคบูชาพระเจ้าแม้ผื้นแผ่นดินในประเทศไทยเนี่ยที่พระเจ้าดากสินบอกอันพ อ, อนตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากคู่ชาติพระาศาสนาถวายแผ่นดินนี้ไว้เป็นพุทธบูชาแด่พระศา ส, า ส, าสนาสมณะพระโคดมก็แปลว่าพื้นแผ่นดินทุก ต, ตารางนิ้วเลยเนี่ยพระเจ้าดาศิษนเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาถ้าแจากใต้ก็เป็นการันตันาการณ์โนมาลกาเหนือก็12ิษปันนาสิบสองจีดไทย เสียมราชนี่อัตบองเนี่ยเวียงจันเนี่ยหมดเลยเลยนะหมดเล ย, เยโอ้ยอย่างยิ่งใหญ่เลยเนี่ยเออดีนะพระเจ้ามีสมบัติเยอะมีมรดกเยอะแล้วก็เลยไปใช้สอยที่อวสัยในโลกไปเนี่ยในในใ น, ในพื้นแผ่นดินประเทศไทยที่เขาถวายเป็นมรดกของพระเจ้าแล้วเนี่ยเจ้าว่าจะเป็นดินถวายเ้วก็เลยไปติดอยู่แค่นี้ก็เป็นได้แค่อามิสมรดกเจ่าไหมล่ะเป็นทายาทที่พระเจ้าบอกว่าดูความพิสูจ ท, ทั้งหลายเธอทั้งหลาย จงเป็นธรรมทายาทของเราเถิดอย่าเป็นอมิสทายาทคืออย่าไปติดมันเลยอามิสทายาทเหล่านี้อย่างนี้เป็นต้นแต่สิ่งที่ประเสริฐกว่าอามิสนั่นคือธรรมะฉะนั้นศะีลสมาธิปัญญาในประเสริฐศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาประเสริฐนะสัมมาปทาสติปทานสี่สมมาปทานสอิทธิบาทสี่สี่ห้าพระห้าโพชฌงเจ็ดมรตมิอแปดที่ประเสธธรสิฐ ก, ก็พ ม, มิหานสี่อย่างเงี้ยอิทธิบาทสี่อินรี่ห้าพระห้าเป็นต้นเหล่านี้ คุณธรรมเหล่านี้ธรรมะเหล่านี้ประเสริฐที่สุดสามารถจะนําพากระแสชีวิตของเราพุทธบริษัทซึ่งเป็นบุตรเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนําพากระแสชีวิตเข้าไปสู่การดับกิเลสละบ้องทุกข์ได้อันนี้ประเสริฐกว่าทําไมเธอไม่เป็นใช่ไหมเออโดยหลักการก็้ามาตรงนี้มันก็เลยมาแยกสองส่วนถ้าอยากนี้เห็นชัดเนี่ยเห็นระหว่างคําว่าอะมิตรกับธรรมะพระเจ้าบอกว่าอะมิตรเนี่ยไม่มีประโยชน์ไม่ีมสาระเข้ามันไม่สะอาด นะอาทีนี้ท่านก็เลยมาแยกในบรรดาอามิตรเนี่ยนะ <c oughs> แยกอย่างนี้ว่าบรรดาอามิตรก็แยกเป็นสามส่วนหนึ่งปฏิยามิตรอมิตรคือปัจจัยสี่ที่ อ, อาศัยเครื่องดูผมยาใช่ไหมซึ่งคนวิ่งเต้นกันทุกวันนี้ก็อาหารตรงนี้แหละวิชาที่คุณไปเรียนมาเนี่ยใช่ไหม น, นายไปเรียนมานโอโ้โหกับวิชาหาอาหารนี่แหละวิชาหาเครื่องนดูผมหายานี่แหละ ที่อยู่อาศัยแค่นี้แหละแทบตายเนี่ยเรียนแทบตายเนี่ยดิ้นรนกระเซาะกระสนเนี่ยเนี่ยอามิตรี่อะไราอกกันเถอะพระเจ้าพอเป็นทานในบารมีมาเยอะพอเป็นศีลบารมีมาเยอะฉะนั้นสมบัติของพระเจ้านี่มีแต่ใครอยากจะให้อยากจะให้แต่ทําไมเราหายากเหลือเกินนี่บองบอกอะไรบองบอกว่าเรานี่ไม่มีธรรมนะจ่ไว้เราให้ทานไม่เป็นนี่เองเราจึงหาทรัพย์นี่ยากมากเราไม่ฉลาดในการให้ทาน พอไม่ฉลาดในการให้ทานเนี่ยเราก็ไม่ได้มรดกคืออมิตรมรดกมาใช้โอ้โหลำ บ, บากยากเขินทั้งๆที่โอ้โหเนี่ยมองไปที่ไหนก็เต็มไปหมดแต่เราไม่มีปรรัญญาเรามีปัญญาเลยนะต้นไม้ก็เต็มไปหมดพื้นเป็นดินก็เต็มไปหมดทรัพยาก ร, กรก็เต็มไปหมดใช่ไหมทั้งในาน้ําทั้งบนดินทั้งบนอากาศเต็มไปหมดแหละไอ้เรื่องอมิตรเนี่ยแต่คนมีปัญญาเขาหาได้ใช่ไหมแต่เราโอ้โหเรียนจบตายหาไม่ได้นี่เป็นเรื่องปัญหา นี่เขาเรียกปัญญาบุญปัญญาเนี่ยเขาเรียกว่า <c oughs> ปัญญามันไม่ถึงถ้าคนมีปัญญาถึงเขาจะยุ่งยากกับเรื่องนี้ไหม <c oughs> ไม่เลยก็มองที่ไหนเป็นทรัพย์เป็นเงินไปหมดเนี่ยคนมีบุญ ง, ง่ายใช่ไหมไปที่ไหนมีแต่คนอยากได้อยากให้ไม่พริยา้เนี่ยไม่อยากเอาเลยปฏิเสธตลอดแต่ไปที่ไหนมีแต่คนอยให้โอ้ที่อยู่ดีๆก็อยากจะถวายพระเจ้าอาหารดีๆก็อยากถวายพระเจ้า ก็หลอผมดีๆก็อยากจะถวายพระพุเจ้าโอ้โหในสมัยของพุทกาลเนี่ยเวีนนี่จอดเป็นพันๆเล่มเวียนนะอ๋ออ้โหอยากจะถวายอยากจะถวายพระเจ้าไปที่ไหนเนะี่ยคือคนติดอามิตยกันเต็มแถวเ ป, ป็นแนวเป็นแนวบรรดาเดรธีทั้งหลายพากันจนกรอบไปตอนที่พระพุเจ้าบัตรเกิดขึ้นเพราะ บ, บุญพระองค์เยอะมากสร้งสมบุญมาเยอะเางฉั้นคนบางคนเกิดมาจึงมีทรัพย์โอฬานมากบางคนเนี่ยดิ้นรนกระเสือกกระสนใช่ไหมเนี่ยเนี่ยติดในอามิทย์นิสับัติของพระพเจา้า เอาละไนี่เราก็จะได้เห็นแต่พระเจ้าก็บอกว่ า, วานี้ไม่ไม่สะอาด 2. โลกามิตรอมิตรคือเกียรติยศชื่อเสียงถ้าเป็นพระก็ความเป็นอาจารย์ของพระราชาอาจารย์ของขรรภูดีอาจารย์ของเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นอาจารย์ของรโร ห, หิทหรือหูเป็นมีชื่อเสียงมีเกียรติยศได้รับฐานันดรได้รับตําแหน่งอย่างปัจจุบันก็มีตั้งแต่ในสนพระกูสัญญาบัตรพระเจ้าคุณสมเด็จเนี่ยนะ โอยพระได้ตำแหน่งเนี่ยนี่เรียกโลกามิตอามิตรคือเกียรติยศชื่อเสียงอันนี้ก็เป็นอามิตเหมือนกันเป็นเหยื่อล่อ<ม>้าให้ลุ่มหลงมัวเมาทําให้ติดอยู่อันนี้ก็เป็นของเม่สะอาดเพางั้นเถอะถ้าคนสติปัญญา น, น้อยก็จะไปลุ่มหลงมัวเมาติดอยู่กับมันอย่างเงี้ยเพา ง, งั้นเถอะอย่างเราเรียนทั้งโลกกันเนี่ยก็หวังตรงนี้แหละหวังชื่อเสียงหวังเกียรติยศหวังเสียงสรรเสริญเยิยยนยอใช่ไหมไม่หวังโลกกระทำพราะเป็นฝ่ายดีนี่แหละเพรั้นเอะ หวังจะได้เจริญรุ่งเรืองหวังได้รับเกียรติยศชื่อเสียงหวังได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานที่มันสูงสูงสูงโอนี่หวังกานกระดิ่งลนกระเสกกระสนอันนี้ก็เรียกว่าโลกามิตรอมิตรคือเกียรติยศชื่อเสียงนี่เป็นอมิตรนะเป็นเหยื่อลอกประการที่สามคือวัตตามิตรอมิตรคือวัตตะตัภพภูมิการไปเกิดในเทวดาแต่ละชั้นเนี่ยจาตัวมหาราชิกา ตาวติงสาญามาดุสิตานิมมานดรดีปาะณิมิโสวสวัสดีปะุมชาญภูมิสามตุติยชาญตติยชาญจตุติยชาญภูมิเนี่ยนะโอ้โหเดียอรมณภูมิแล้วก็ในอวิหะตป า, า, ส, า, ส, าสุทัสสาสัสีคนิฐาอาการสาบรญจายตนะภูมิวิญญาณบญจายตนะภูมิอากินจัญญายตนะภูมิเนวะสัญญานาะสัญญายตนะภูมิไป็ดียวอาร์ภูมิวะตานี่ก็เป็นอามิ t เหมือนเหยื่อกัน ทำให้มนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายติดแล้วก็เข้าไปจมอยู่กันนะเขาออกอมันไม่ได้นี่เป็นอามิตรคนที่เจริญทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลมากๆเนี่ยเพราพรมเหล่านี้มันรอหมดแหละเมื่อเจริญทานศีลภาวนาที่เป็นไปเพื่อวัฏฏะนี่ไหมพอเจริญกุศลที่เป็นธรรมารดกที่เป็นไปเพร่อวัฏฏะนันก็จะได้วัตฏะเหล่านี้แต่เขาไปจมกับมันแล้วไปติด ก, กับมัน ได้บุตรได้ภรรยาได้ทรัพย์ได้บริวารเกียรติยศชื่อเสียงทั้งหลายเนี่ยก็จะไปติดในสิ่งที่มันเป็นอารมณ์กาลเรานี้ยใช่ไหมหลายหลายคนก็ติดเดินออกปฏกคัมไม่ได้แล้วก็แย่งกันเป็นปัญหาการแย่งชิงเงินสรุปแล้วก็ทั้งปั จ, จยามิตรอมิตรคือปัจจัย4โลกามิตรอมิตรคือเกียรติยศชื่อเสียงวัตตามิตรอมิตรคือวัตตะในภพภูมิที่ดีๆทั้งหลายอย่างนี้ล้วนเป็นเหยือ่ลอล่อเป็นอามิตรทั้งนะั้นทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของธรรมะ ธรรมะท่านก็เลยแยกว่าธรรมะมรดกที่เป็นโลกียะกับธรรมะมรดกที่เป็นโลกุตระศีนสมาธิปัญญาที่ยังเป็นโลกียะวิสุทธิที่หที่ยังเป็นโลกียะอยู่เว้นโลกุตระยานทัศนวิสุทธิพอที่ปากแยกาทางสามเจที่เป็นที่อยู่ในสิกขา3ามคือสีนสมาธิปัญญานะวิสุทธิเจ็ที่เป็นโลกียะชื่อว่าเป็นธรรมะมรดกที่เป็นโลกียะ นะั่นศีลสมาธิปัญญาที่เป็นไปในวัตฏะทั้งหลายเนี่ยการบําเพ็ญทานศีลภาวนาที่ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมนเนี่ยเนี่ยเป็นวัฏฏะนี่เป็นโลกีย์หมดเลยส่วนศีลสมาธิปัญญาที่บําเพ็ญประพฤติปฏิบัติแล้วไปไประชุมในอริยมรรคอริยผลอันนี้เป็นโลกุรมมรรตระธรรมมรรดกตลอดถึงโลกุตระยานัทสนาวิสุทธิหรือโพธิปัจจิกยะธรรมที่ประชุมในโลกุตระมรรค โลกุตระผลอันนั้นเป็นธรรมะมรดกผ่ายโลกุตระก็เลยแยกเป็นสองส่วนธรรมะก็เลยมีสองส่วนส่วนที่เป็นโลกิยา ก, กับโลกุตระส่วนที่เป็นโลกิยะก็ยังมีปัญหาอยู่นะทาให้ไม่สามารถออกจากกิเลสและกองทุกข์ได้แต่ธรรมะมรดกที่เป็นโลกุตระต่างหากที่สามารถจะทําให้ดับกิเลสและกองทุกข์ได้นั้นพระเจ้า ก, ก็บอกว่าแม้ธรรมะมรดกก็แยกด้วยก็ต้องไปแยกด้วยว่าเราต้องฝึกฝนพัฒนา จากโลกิยะธรรมะมรดกเข้าถึงโลกิลอกุตระธรรมมรดก ไ, ได้ในโลกิยะเนี่ยในธรรมมรดกที่เป็นโลกิยะเนี่ยก็สามารถแยกได้โลกยะธรรมมรดกที่เป็นวัตตะกับโลกยะธรรมที่เป็นวิวัตตะหรือโลกิยาธรรมมรดกที่เป็นเนียตะที่แน่นอนกับโลกยะธรรมะมรดกที่เป็นอนียตะที่ไม่แน่นอนใหนบุคคลในพระศาสนานี้ที่จเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาเพื่อจะให้เป็นอาจารย์ของพระราชา การของอามตเพื่อรับยศถาบรรดาศักดิ์และปัจจัย4ี่อย่างหนึ่งให้ได้ที่โยสายเครื่องนุ่มอะไรทั้งหลายที่ดีๆและศีลสมาธิปัญญาที่เจริญเพื่อต้องการจะได้เกิดเป็นมนุษย์เหมือนเดิมเกิดเป็นเทวดาในภูมิต่างๆอันนั้นเป็นโลกียะธรรมะบรดกที่อาศัยวัตถะก็มีเยอะในคนบริเวณนี้ไม่อยากออกจากทุกข์ไม่ออกจากธรวัตถะก็เลยอ๋เจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแต่เป็นไปเพื่อเอาละเราจะได้มีเกียรติยศชื่อเสียง เราจะได้มีทรัพย์เยอะๆเยารให้ทานเพื่ออย่างนี้รักษาศีลเพื่อแบบนี้จเจริญภาวนาเพื่อแบบนี้อันนี้เขาเรียกเป็นไปเพราะว่ตับอันนี้ยังติดอยู่ในวตฏอยู่อันนี้หรืออย่างหนึ่งก็คือว่าการเจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่อดับวตฏฏสามดับกิเลสวัฏกรรมวัฏและวิปากาวตฏเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนของวิวัตตนะนยเป็นไปในส่วนของวิวัตตะเอาตรงนี้ก็ ยังไม่แยกในรายละเอียดตรงนั้นแหละแต่ให้ดูว่าสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก็คือเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเนี่ยใจความของในธรรมทายาทสูตรมรดกสองอย่างมรดกที่ดีและไม่ดีบุคคลที่รับมรดกก็มีอยู่สองอย่างเช่นกันคือผู้ที่รับมรดกที่ดีและผู้ที่รับมรดกที่ไม่ดี ในธรรมธาญาสูตรในมันชฌิมานิกายที่บอกธรรมธายาธาเมภิกเวพระวถาเมอมิสาาทายาธาอธิเมตุมเฮอนุกรรมปากินติเมสาวกาดาเมธายาบเบายะโนอมิสธาญาถาติดูก่อนภิสูจน์ตงหลายเธอต่างหลายจมเป็นธรรมธาญาตของเราเถิดอย่าได้เป็นอมิสธาญาตของเราเลย เรามีความมนุเครในพวกเธอทั้งหลายว่าฉะไหนนอสาวกทั้งหลายของเราพึ่งเป็นธรรมทายาทอย่าได้เป็นอมิสทายาทเลยอดีใจความสรุปก็คือมรดกของพระพุทธเจ้าก็มีสองอย่างดังที่ได้กล่าวถ้าอมิสสมรดกเนี่ยนะก็อย่างที่บอกว่าปัจยามิตรโลกามิสวัตตามิสเนี่ยที่โยนสายเครื่องนองมยาอาหารลาบสากาลาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้เป็นปัจยามิตรไปเกียรติยศชื่อเสียง เป็นต้นนั้นก็เป็นโลกามิตรวั ต, ต า, พาพุทุมทั้งหลายก็เป็นวัตามิตรพระเจ้าก็เลยตรัสบอกว่าในานาคต ก, การเนี่ยมรดกเนี่ยธรรมะมดมรดกคืออมิตรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างมากมายใท่วมทนในพุทธศาสนามันเหมือนทะเลเพิงนเนี่ยนึกว่างดดันเถอะเหมือนทะเลที่ครอบคลุมเกาะอยู่นี่แหละเพราะเหตุนั้นพระเจ้าก็เตือนพิจิตรทั้งหลายว่า บอกว่าหมู่พุทธบริษัทเนี่ยมีภิกษุและเครือหารทั้งหลายเนี่ยที่ได้รับมรดกคืออามิตรเนี่ยที่เกิดขึ้นโดยเดชบุญของพทะเจ้าเนี่ยจะพากันจมอยู่ในทะเลเกลือคืออามิตรคือจักพากันเป็นอย่างอื่นจากธรรมระมรดกอันประเสริฐพระเจ้าก็เป็นห่วงพระพริธาเป็นห่วงเลยทํำยังไงเนี่ยจะบัญญัิว่าไม่ให้เกี่ยวข้องก็ไม่ได้พระเจ้าก็เลยบอกอา้าวถ้าเธอจะเกี่ยวข้องก็ให้เกี่ยวข้องด้วยปัญญา เช่นจะกินอาหารก็พิจารณาเลยให้พิจารณาถึงคุณค่าแท้และคุณค่าเทียมเออคุณค่าเทียมคือกินเพื่อโกกินเพื่อไอเลอร่อยกินเพื่อเมะมันกินเพื่อสนุกสนานกินเพื่อเพื่อเผื่อกินเพื่อตอนะหนะครับอันนี้คุณอวดอวดกินเพื่ออวดที่อยู่อาศัยเครื่องดูดหอมยาเป็นต้นเหมือนกันหมดตลอดถึงในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียง เราไปโวเมาไปเพลิดเพลินไปยินดีกับมันไปรุ่มหลงกับมันอันนี้กลายเป็นจมเลยหรือกลับกลายไปตรงวัฏตาอยากจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเดวดานี่นี่พวกโมเมาพวกเพลิดเพลินอยู่ได้โมหะอยู่ได้รุ่มหลงอยู่ได้ตนามนาทธิจิตอย่างนี้ไม่ฉลาดในการเสพปัจจัยสี่เหล่านี้ไม่ฉลาดในการเสพอมิตรเหล่านี้ไม่ฉลาดในการอยู่ในวัฏ ต, ต์เหล่านี้ไม่เห็นโทษของมันกลับไปลุ่มหลงไปโมเมา ไปได้แค่คุณค่าเทียมไม่เข้าถึงคุณค่าที่แท้จริงว่าอาหารเนี่ยวัตถุประสงค์จริงๆจุดหมายจริงๆเพื่ออะไร เ, เพื่อกําจัดทุกเวทนาเก่าคือความหิวและป้องกันไม่ให้เวทนาทุกเวทนาใหม่เกิดขึ้นและไม่ให้เกิดความอืดอัดขับคล่องและทําให้ร่างกายนี้เป็นไปได้ทําให้ร่างกายนี้แข็งแรงเป็นอยู่ได้เพื่อจะเอากายที่แข็งแรงเนี่ยสภาพร่างกายที่ดี เ, เป็นปัจจัยเกื้อหนุนใน ก, การศึกษาศีล ส, สมาธิปัญญา ก็ฝึกตัวเองให้เข้าสู่ศีลเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ปัญญาเข้าถึงธรรมะมรดกเป็นธรรมทายาทที่แท้จริงตามพุทธโอวาทนั้นเออถ้าเข้าใจอย่างนี้ชัดเลยที่ยู่อาศัยก็ไม่ไปร่วมหลงไปติดกับมันใช้โดยการเข้าใจในคุณค่าเทียมคืออะไรคุณค่าแท้คืออะไรคุณค่าเทียมก็คือไปมัวเมาลุ่มหลงกับมันไปติดไปโก้ว่าเราได้ที่อยู่ดีเพลิดเพลินไปมัวเมาลุ่มหลงไปอวดบางอวดมีเป็นต้นเหล่าเนี้แต่คุณค่าแท้คือ ที่อยู่ก็คือป้องกันอะไรเนี่ยป้องกันฝนป้องกันแดดป้องกันไม่เหลือบยุงไรลมแดดและสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายเป็นต้นเมื่อได้ที่อยู่ที่เหมาะสมแล้วได้สภาพบรรยากาศที่ดีแล้วเราจะได้เจริญศิ้นสมาธิปัญญาเข้าสู่ธรรมะม ร, รดกไม่ไปติดอยู่แค่อามิสม ร, รดกซึ่งเป็นม ร, รดกที่ไม่สะอาดเป็นปัจจัยเกิดราคะโทสะโมหะเออไม่เนี่ยพอฉลาดกัมนมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มัวเมารุ่มหลงตลอดถึงการใช้สื่อใช้เทคโนโลยีใช่ไหม ก็ฉลาดใช้ได้ปัญญาไม่ใช่อย่างมืดบอดไม่ใช่อย่างมัวเมาและลุม่ลมหลงมีสติสัมปชัญญะในการใช้ในการวิจัยในการแยกแยะเอาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาปัญญาซะเลยพัฒนาศีลสมาธิปัญญาเออทางนี้รู้จักคุณค่าทาถ้าคุณค่าเทียมกัยี่ห้ออะไรดีงั้ว่ากันไปแต่เนี้ยนะมัวเมาลุม่ลมหลงไปเลยเนี้ยงั้นตรงนี้เป็นความชาญฉลาดเราจะต้องเข้าถึงธรรมะมรดกไม่ได้ติดแค่อามิตมรดกเหล่านี้ไม่ได้ติดแค่ของเล่นอย่างนี้เป็นต้น หรือกรณีที่ของเลอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุง่งห่มเอาเลยสิคุณค่าแท้คุณค่าเทียมคุณค่าเทียมก็คือไอเสื้อผ้าที่มียี่ห้อใส่แล้วมันโก้ใส่แล้วมันหรูใส่แล้วมันรู้สึกว่ามันให้คุณค่าทางสังคมให้หน้าตาใครยกย่องเราจะเป็นคนรวยคนมีฐานะทั้งหลายไปเดี๋ยเอออย่างยิ่งการไปติดไปมัวมเอาไปลุ่มหลงด้วยตัณหามานะที่สุด แต่ใช่ก็คือปิดปกปิดความละอายทำให้อบอุ่นสภาพร่างกายของเราจะได้ไม่เกิดรูปและโดยที่สุดกจริงๆก็คือป้องกันความละอายนั่นแหละแต่ไม่ใช่เพื่อความสวยงามโก่หลีกลกู้รู้เลยหรือแต่ว่าเป็นปัจจัยเกื่อหนุนปกปิดป้องกันเหลือใจลายลมแดดก็ได้ป้องกันความเย็นความร้อนเป็นต้นก็ได้อากาศหน้าร้อนควรยังไงหน้าหนาวควรใส่เสื้อผ้ายังไงโอ้โหนี่เข้าใจ รู้จากคุณค่าดีแท้จริงแล้วก็เอาและเมื่อได้สิ่งตรงนี้มาปิดกายก็ให้ไม่เกิดความละอายแล้วก็ฝึกตัวเองเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาฝึกตัวเองเข้าสู่ศรัรทญญาาธาวิริยสติสมาธิปัญญาเข้าถึงคุณค่าดีแท้จริงนี่นะยาก็เหมือนกันไม่ใช่กินอาหา ร, รเพื่อแนี้ร่างกายมันจะดีรู้สึกว่าร่างกายมันจะสวยงามจะได้เป็นที่ต้องตาต้องใจใครโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยเออมันเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมากินเพื่อบําบัดโรค ระงับได้ช่วคู่ตรงนั้นเองและเราจะได้เอากายที่แข็งแรงนี้เป็นปัจจัยต่อการเข้าถึงธรรมะมรดกในปัจจยามิธอมิมิธคือปัจจัย4การใช้เทคโนโลยีการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆแล้วก็โลกามิตรอมิตรคือเกียรติยศชื่อเสียงเอาและทีนี้เราทําความดีทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้เกียรติยศชื่อเสียงได้รับการยกย่องเขาแนะนำโอ้โหเป็นคนสอนเก่งอะไรเก่งแนะ น, นําคนมีคนมาเคารพนับหน้าถือตามากเออเขาไปติดกับมันนันเอ ยงเลยหรือได้ยศถาบรรดาศักดิ์ติดมัวเมาลุ่มหลงกับมันได้ตระหนามานาทิฐิอันนี้ไปเข้าถึงแค่คุณค่าที่ในคุณค่าแท้ไอสิ่งของต่างๆเลยนี้มันเป็นของสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองมันไม่ได้มีอะไรเลยสมมุติไปมัวเมาไปลุ่มหลงไปหลงละเรินกับมันไปไปมากลายเป็นทาสกับตระหนามานา ท, ทิ่ิไม่เป็นประโยชน์เลยแทนที่ได้เกียรติยศชื่อเสียงขึ้นมาแล้วจ ะ, จะเอาเกียรติยศชื่อเสียงในการบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีให้เต็มที่ เติมศ <S an> ักยภาพเต็มความสามารถกับไม่ได้ใช้คุณค่าที่แท้ที่แท้จริงนึไม่เข้าถึงคุณค่าแท้กำไปเข้าถึงแค่คุณค่าเทียมกิเลสตัณหาม่น่าระลุ่มหลงที่หนักไกว่านั้นก็คือวัฏตามิตอามิติวัฏตาการบำเพ็ญสิกขาสามแทนที่จะเป็นปัจจัยเก่ับความพ้นจากกิเลสและกองทุกข์เข้าถึงพานิพานแต่การไปติดอยู่ในวัฏตาอยากจะเป็นมนุษย์อยากจะเป็นเทวดาอยากจะเป็นพรมเลยมัวเมาลุ่มหลงเออเนี้ยก็ติดแค่อามิตอันเนี้ยเหยื่อล่อนี่นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่า ให้พิจารณาบอกว่าภิสูจทั้งหลายบอกว่าเมื่อได้รับม ร, รดกที่เกิดขึ้นม ร, รดกแล้วนี้เกิดขึ้นได้เดชบุญของพระผู้มีภาคเจ้าสัตว์ทั้งหลายที่พากันโง่เขากับพากันจมอยู่ในทะเลเกลือก็คืออมิตรจะพาเป็นไปอย่างอื่นจากธรมมรมมรดกหรือธรรมะอันประเสริฐเหมือนทะเลใหญ่ทั้งสามที่กำลังท่วมทับหมู่สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในบนเกาะจึงได้ตรัสบอกว่าเธอทั้งหลาย จงเป็นธรรมทายาตอย่าเป็นอมิสธายาตเราบอกอมิสมรดกเป็นมรดกที่ไม่สะอาดเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเป็นสิ่งที่พระเจ้าเป็นห่วงชื่อว่าเป็นมรดกที่ไม่ดีส่วนศีลสมาธิปัญญาส่วนสติปัฏฐานสมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีพ ร, ราพโธชองอริยมรรคเนี่ยอันนี้เป็นมรดกที่ดีนะพระเจ้าสรรเสริญมรดกที่ดีและมรดกที่ไม่ดีฉะนั้น เมื่อได้กล่าวถึงมรดกที่ดีมรดกผู้รับมรดก2 อ, อย่างนี้ผู้รับมรดกดีและผู้มรับมรดกที่ไม่ดีเนี่ยก็จะปรากฏเองเมื่อเรารับมรดกที่ดีเราก็จะปรากฏจากการที่จเจริญในศีลสมาธิปัญญาแล้วจะเป็นคนที่พัฒนาศีลพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาถ้าไปรับมรดกที่ไม่ดีรุ่มหลงมวลเมากับมรดกที่ไม่ดีคื อ, อมิสมรดกก็จะจมแล้วก็จะตายอยู่ในกิเลสตัณหามาณทิตติ บาดสื่อการมันชั่วร้ายทั้งหลายก็เล่นงานอย่างไม่จบไม่สิ้นเลยนี่นี่เป็นใบลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกพวกเจ้าบริษัทของพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นมิกษูบริษัทหรือครือข่าบริษัทเนี่ยเป็นคนที่อ่อนแอมากทางด้านจิตใจก็พากันจมจมอยู่ในมรดกที่ไม่ดีนี่แหละจมอยู่ในอมิสมระดกถ้าเราไปดูในคาสอน ในธรรมทายาสูตรเนี่ยคืออย่างนี้แล้วสรุปเป็นใจความก็คือว่าลาบส ก, การาเป็นอันมากที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเยอะมากที่อยู่อาศัยเครื่องโนคมยาอาหารเนี่ยเพราะเหตุผลขอพรนะพุทธเจ้าเนี่ยบเพ็ญบา ร, รมีมาเสียสองขายยี่งิบแสนครับบาเพ็ญทานบา ร, รมีโอ้โหมากมายนะ ฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าคนทำไมถวายทานนะบูชาพระเจ้ากันยิ่งใหญ่มันก็ามาทํางานทากิจกรรมต่างๆที่เราไปเห็นหนะ้าที่ต่างๆเนี่ยแม้แต่ในพื้นแผ่นดินไทยลังกาเอวยพม่าเอวยเนี่ยประเทศที่เป็นพุทธอินเดียในสมัยก่อนยุค พ, พระเจ้าโสมหาราชเพื่อนตัวเหล่านี้หถวายเป็นพุทธบูชากันเก้ากโกฏเนี่ยพระเจ้าโสมหาราชสร้างเสาอาโศก8ป0 0 0พันต้นเป็นถวายพุทธบูธชาเจดีแปดห0ื่นสี่องวัด8ป0 0 0ันวัดเนี่ยบูชาหูบาบรุณพระสงฆ์องค์จันทุกวัน นั่นคืออะไรข้าพูดชาพระพุทธเจ้านั่นเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าเพราะพุทธิยามเป็นทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและเวขาบารมีอุปบารมีสิบบรมีมัทธรมีสิบมาอย่างยาวนานในสังสารวัตใช่ไหมนั้นถ้ามองอย่างนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่าโอ้พุทธิยาสั่งสมบารมีเป็นความจริงว่าเพราะบารมีทุกข้อเป็นเหมือนมาจับกลุ่มตกลงกันว่า เราจักรวมกันให้ผลในอัตภาพเดียวทั้งหมดเหมือนอยู่นั้นเลยบารมีที่สั่งสมมาทั้งหมดเหมือนมารวมกันปุ๊บเอาและเราจะให้ผลในอัตภาพในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงโอ้โหมหาสาลมาหมดและนะ้ฉะนั้นศาสนาอื่นโอ้โหหลังตกใจเลยศาสนาอิสลามเนี่ยโหในยุคยาการบุกเข้าไปในอินเดียนทําลายสมบัติในพุทธศาสนาที่เป็นเงินเป็นทองเพชรนินจินดาที่เขาถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยเยอะมาก ใส่อูดขนไปเนี่ยมันทุกอูดไปหนึ่งสามรอตัวสี่ร้อยตัวยังไม่หมดเลยนะทราบสมบัติที่เป็นเงินทองทั้งหลายที่กบูชาวปริยยาเรียกอิจฉาอิจฉาในสมบัติปริยญานี่เป็นต้นเลยนะเกิดขึ้นทุกทุกสารทุกทิทรวมตัวกันเลยว่างั้นนะทำให้เกิดเหมือนห้วงน้ําใหญ่เช่นนะั้นประชาชนต่างวันนะมีกษัตริย์พราหมณ์เป็นต้นเหล่านี้ก็ถือข้าวบั่งน้ําบ้างยานผ้าดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้าเป็นต้นมาจากที่ต่างๆ แล้วก็ถามว่าพระเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระเจ้าที่เป็นเทพเป็นผู้องค์อาจพระบรมศาสดาเป็นบุรุษประดุจตัางราชสีประทับอยู่ที่ไหนประชาชนเหล่านั้นก็ใช้เกวียนตั้งเป็นร้อยเป็นพันเน้นําขนวัตถุสิ่งของเหล่านี้เพื่อมาถวายพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นในแต่มองนี้ก็จะได้เห็นว่าเนี่ยพระบารมีพระเจ้าที่เป็นอย่างนี้พระเจ้าก็จะมองเห็นว่าโอ้ต่อไปเนี่ย เมื่ออามิ t h มรดกนี่ที่พระริจ้าบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยหลังไหลใช่ไหมผลของพระทานบา ร, รมีของพระริจ้าที่เป็นมาเนี่ยหลังไหลามาให้กับชาพุทธเยอะแยะอย่างเงี้ยคนที่เข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาเป็นพระก็ดีเป็นธรรมเนจร์ก็ดีเป็นตน้นอะไรเนี้ยมาเห็นก็จะโอ้โหอยากจะได้ขึ้นมาอยากได้รรมารดีของพระริจ้ากระสันขึ้นมาอะไรต้นไปมาก็พากันจมอยู่ในอา mith ม, มรดกเหลนี้ไม่พากันบำเพ็ญ สีนสมาธิปัญญาเลยเี๋ยวนี้ทีนี้เอาในด้านของอริสมระดกเนี่ยหรือธรรมะมระดกกนะ่อนเนาะธรรมะมระดกนี่มีสองส่วนนะธรรมะมีสองส่วนคือนิปริยาญานิปริยาธรรมก็คือว่าธรรมะโดยตรงนะอย่างหนึ่งพระยาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นทายาทแห่งธรรมของเราเถออย่าเป็นทายาทแห่งอริส ธรรมะของตถาคตอันใดขอเธอทั้งหลายจงเป็นผู้รับไว้ซึ่งธรรมะนั้นเถิดศีลที่พระยาติแสดงเธอจงรับศีลไว้จงเจริญในศีลจงรับจงเอามรดกศีลสมาธิที่ตถาคตมีอยู่เธอก็จงรับเอาสมาธินั้นไปไปเป็นมรดกจงเอาปัญญาที่นั่นเป็นต้นเราเนี่ยส่วนตถาคตมีอมิตรใดแลเธอทั้งหลายอย่ารับซึ่งอมิตรนั้นเลยก็พออย่าไปจมอยู่ในอมิตร อย่าไปจอมอยู่ในที่อยู่อาศัยเครื่องนห้หมยาอาหารอย่าไปจอมอยู่ในเกียรติยศชื่อเสียงหรือวัตถุที่มันเกิดได้เดชบุ่นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธอทั้งหลายอย่าไปจอมอยู่ตรงนั้นเข้าใจตรงนี้นะอย่าไปจอมอยู่ตรงนั้นเอาละทีนี้ธรรมะมี2 ส, ส่วนเป็นนิปริยะธรรมธรร ม, มะโดยตรงกับปริยะธรรมธรรมะโดย อ, อ้อมอามิตรก็มี2 อ, อย่างนะนิปริยะอามิตรอรมิตรโดยตรงกับปริยะอามิตรอรมิตรโดย อ, อ้อมเออธรรมสองส่วนอามิตสองส่วนคืออย่างไร โลกุตระทำ9ก้ามรักสผลสี่นิพานหนึ่งรู้ไหมสวัสดาบริมรักสกัตาคามิมรักอนาคารมารัมกอารามมรหรือมรักสี่ผลสี่สวัสดาบริผลสกัตาคามิผลอนาคารมีผลอารามผลผลสี่สี่บวกสี่เป็น8ดแล้วโลกุตระเริบนิพานอีกหนึ่งเป็นเกเนี่ยเขาเรียกว่านิ ป, ปริยธรรมเนี่ยธรรมะโดยตรง ก็คือศีลสมาธิปัญญาที่ประชุมอยู่ในโลกุตระนี่มรสีพทุทสีแล้วก็พระนิพพานนี่นะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมะโดยตรงเป็นนิปริยะธรรมเป็นธรรมะโดยตรงเป็นสิ่งที่มรดกของพระพุทธเจ้าที่เราควรได้ควรถึงนี่นะเป็นนิปริยยธรรมนี่ธรรมะโดยตรงนะอีกอย่างหนึง่งส่วนปริยยธรรมส่วนปริยะธรรมคืออะไร อันนี้เป็นนิประยะิยธรรมนะส่วนไม่ใช่ไม่ใช่ธรรม ท, ที่เป็นประิ ย, ะยาธิโดยอ้อมก็คือโดยเหตุก็คือโดยอย่างอื่นส่วนกุศลกุศลที่อิงอาศัยวิวัติตรคือพระนิพพานนี้มีตัวอย่างเช่นบางคนในโลกเนี่ยปรารถนาพระนิพพานก็ให้ทานสมาทานศีลรักษาบูชตศีลบูชาพระรัตนตรัยสักการะมีเครื่องหอมเป็นต้น ฟังธรรมแสดงธรรมฝึกตนเองในศีลสมาธิปัญญาธรรมชาตสมาบัติให้บังเกิดขึ้นเขาทําอยู่อย่างนี้ก็จะเป็นปัใจจัยให้ได้นิปริยยธรรมคืออมะตะพระนิพพานเดลําดับดงนั้นธรรมะในลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าปริยยธรรมอาและมี2 ส, ส่วนนะนิปริยยธรรมนี่โดยตรงคือมรรคสีบนีนิพพานหนึ่งส่วนปริยยธรร ม, มะก็คือการบําเพ็ญทานศีลภาวนาหรือบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญา เราฝึกในการมันเป็นศีลสมาธิปัญญาเข้ามาบวชแล้วก็ฝึกแล้วปราถนาในการที่จะบรรลุธรรมบรรลุพระนิพพานนี่นะปราถนาจะพ้นจากกิเลสและกองทุกข uh, uh, uh, so ์แล้ว er. ก็ฝึกเจริญของเราเป็นพื้นที่เป็นไปตามลําดับถึงฝึกศีลให้เกิดขึ้นฝึกสมาธิสมาบัติให้เกิดขึ้นฝึกวิปัสสนาญาณที่เกิดขึ้นในที่สุดจริงๆก็สามารถเข้าถึงพระนิพพานได้เป็นต้นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกนิพกเขาเรียกปริยายธรรมนี่ธรรมาโดยอ้อมนะเขาอย่างในเนี้ย สามารเข้าถึงพระนิพพานโดยลำดับที่กล่าวมาแล้ว เ, เรียกว่าปริยยะธรรมมองอย่างนี้นะธรรมะมีสองส่วนนิ่ปริยยะคือมอรรคสีพจนิพานหนึ่งกับปริยยะธรรมปริยยะธรรมก็หมายถึงการเริ่มต้นตั้งแต่ทานศีลภาวนาไปเลยเริ่มตั้งแต่รักษาเสสมาทานให้ทานเอ่ยสมาทานศีลเอ่ยรักษาบูโสดศีลเอ่ยการฟังธรรมเอ่ยการแสดงธรรมเอ่ยการปฏิบัติ ตามลำดับเป็นไปตามลําดับแล้วก็มีการทําฝึกศีลสมาธิฝึกฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นเจริญนิพพ า, านาญาณเป็นไปตามลําดับนี่ส่วนจริงได้พระนิพพ า, านไปแล้วลักษณะนี้เขาเรียกปริยาจฉธรรมอันนี้ก็เป็นมรดก ข, ของพุทธเจ้านะสส่วนทั้งนิ ป, ปริยญาะและปริยญาณธรรมส่วนอมิตรก็มี2ส่วนอมิตรยีวรที่โยสายขึ้นหัวหนเป็นต้นเนี่ยเป็นนิ ป, ปริยญาณอมิตรทีเดียวที่โยสาย เครื่องนุ่งหม่มอาหารยาอันนี้เป็นอามิดโดยตรงที่พระเจ้าพระเจ้าทรงทรงอนุ ญ, ญาตแล้วเกิดขึ้นในเดชบุญพุทธญาด้วยนะเนี่ยที่เราอยู่ทั้งหมดเนี่ยเพราะบุญของพุทธญาและได้ที่อยู่อาหารเครื่องนุ่งหมนะ่มยาและในโลกใบนี้ยถ้าเรามองให้ดีนะว่าเ อ, อที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มทั้งหลายเหล่าเนี้ยพระเจ้าปรเป็นทานในบารมีมา โลกใบนี้ก็เกิดขึ้นรองนะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นรองรับเดชบุญของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทานทาบำรุงพวกสัตว์โลกทั้งหลายจี่มาเกิดมีโอกาสได้ฟังธรรมเราพูดปฏิบัติแต่จะไปติดในอมิตรหรือไม่นันว่าไปส่วนกุศลที่นําไปสู่วัฏฏะสามการมาพบรูปรพบอารมณ์พบบางคนในโลกนี้ปรารถนาวัฏฏะมุ่งพบสมบัติจึงให้ทาน จึงรักษาศีลจึงเจริญสมาบัติเจริญภาวนาทำอยู่อย่างนี้ก็ได้ไปเกิดในสวรรค์บ้างมนุษย์บ้างที่นี่บอกว่าเห็นไมอมิตรจะมีโดย อ, อ้อมกับโดยตรงที่โยอาศัยเครื่องหมยาที่เราได้กายนเป็นทานมีเป็นนิปริยายาส่วนปริยาญะก็คือว่าให้าทาน เราก็าคุณให้ทานคุณรักษาเสียงคุณจเจริญภาวนาคุณธก็ไปได้พบที่ดีถามคนที่บอกสูตรคือใครเจ้าของสูต ร, รอเออนั่ยแหละเจ้าของสูตรหรือเจ้าของเฟรนชัยอะ่ะเราไปเอาเฟรนชยรัยพุทธยามาปฏิบัติแล้วก็เลยได้ได้ทรัพย์ได้ฐานะา น, นันดรได้พบได้สิ่งที่ดีแต่เราไปนึกว่าเป็นของเราแท้จริงคนที่บอกสูตรในการเจริญกุศล บอกเหตุในการที่ประพฤติธปฏิบัติทั้งหลายคือพุทธิจ้าเป็นผู้บอกแต่บุคคลก็ไปทําเพี้ยนกันไปกว่ากันไปนะแต่เหตุจริงๆมนะันคือพุทธิย่าเป็นผู้บอกไม่มีคนอื่นบอกได้ดังนั้นพุทธิจ่าจะเป็นเจ้าของสูตรนะสูตรความสําเร็จในการประสบความสําเร็จในชีวิตอะไรทั้งหลายก็แล้วแต่ทางโลกที่เขาได้ได้กันทั้งหลายเลยนะีนะ้นี่เรียกปริยายะอามิตรในเรื่องธรรมะละอมิตรนั้นนะ่ะนี่ปริยธรรมก็ชื่อว่าเป็นธรรม เป็นธรรมของพระเจ้าโดยแท้เนื่องจากอะไรเนื่องจากพระเจ้าตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายพระเจ้าสอนเรื่องสติปัฏฐานสมปทานอิทธิบาทอิสีพระโพชฌงค์อริยมรรคพอพระเจ้าสอนหลักการปฏิบัติพวกภิกษุทั้งหลายก็ประพฤติปฏิบัติตามเมื่อประพฤติปฏิบัติตามก็เลยได้บรรลุมรรคผลและนิพพานฉะนั้นพระเจ้าจึงเป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของมรดกเมื่อเราปฏิบัติตามปุ๊บเราก็ได้มรรคผลได้นิพานตามนั้นทันทีเนี่ยก็แบบพุทธเจ้าจึงเป็นเจ้าของอย่างเนี้ยพุทธเจ้าครับข้อนี้สมคุเทศบอกกับพรามก็พระผู้มีภาะเจ้านั้นทรงยังมรรคที่ยังไม่อุบัติให้อุบัติขึ้นทรงยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทรงบอกมัรคที่ยังไม่มีใครบอกพุทธเจ้าทรงทราบมรรคทรงรู้แจ้งมรรคทรงเป็นผู้ฉลาดในมรรค ส่วนสาวกทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้ดําเนินตามมากนั้นจึงถึงพร้อมในภายหลังอยู่เห็นไหมเออขนทางที่จะสามารถเข้าถึงมรรคนิพพานเนี่ยพระุทธเจ้าเป็นผู้เปิดเป็นผู้บอกเป็นผู้แสดงเป็นผู้แนะนําสาวกก็เดินตามปฏิบัติตามแล้วหรือได้ไอตรงนี้จึงกลายเป็นนิปรยายธรรมะ น, นี่เป็นของพระพุทธเจ้าโดยแท้ใช่ไหมเนี่ย พุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นพระองค์ทรงมีพระปัญญาจากสูมีพระยานทรงมีธรรมทรงเป็นพรหมทรงเป็นผู้เผยแผ่เป็นผู้ประกาศทรงเป็นผู้ขยายเนื้อความประธานนวัตตาเป็นเจ้าของอห่างธรรมะเป็นพระตถาคตเนี่ยลักษณะอย่างนี้ส่วนปริยยธรรมแหละเป็นของใครก็ต้องเป็นของพระเจ้าโดยแท้เนื่องจากพระเจ้าเนี่ยตรัสสอนไว้สาวกทั้งหลายจึงรู้อย่างนี้ว่าคนผู้ปรารถนาวิวัตตาแล้วให้ทาน ปรารถนาปรารถนาพระนิพพานแล้วเขาก็ให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถศีลฟังธรรมแสดงธรรมประพฤตปฏิบัติเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นไปตามดับและในที่สุดจริงเขาก็ได้มากผลนิพพานฉะนั้นแม้ปริยายธรรมก็เป็นของพระเจ้าโดยแท้เพราะพระเจ้าเป็นเจ้าของสูง่เป็นเจ้าของเป็นชายดังดีตกาใช่ไม่ยเนี่ยเป็นไปตามดับ มองเห็นได้ยังว่าทั้งนิปริยาญธรรมและปริยาญธรรมเป็นของพระเจ้าฝ่ายนิปริยาญมิตรก็เชื่อวเป็นของพระเจ้าเหมือนกันเนื่องจากพระเจ้าทรงอนุญาตไว้ภิกษุทั้งหลายจึงได้จีวอนอันปา น, นี่จึงได้ที่อยู่อาศัยจึงได้เครื่องดื่งหอมจึงได้ยาใช่ไหมเป็นต้นเหล่านี้สรุปแล้วก็คือว่าพระเจ้าให้ในการก่อนภิกษุยังไม่ได้บินตาบาดอันปราณีมีอาน เป็นต้นเหล่านี้ตถาคตอนุญาต อ, อ, อนุญาตสังฆพัฒนิเทศพัตนิมันตพัตสลากาพัตปักขพัตอุปอสริพัตน์ปฏิกภัตเป็นต้นเหล่านี้ก็คือทรงอนุญาตให้พุทธบริษัทเนี่ยถวายอาหารแด่สงถวายอาหารแด่อุทิศแด่สงถวายสลาสลายปักนึ่งถวายวันอุโบสถเยเป็นต้นเหล่านี้แ ด, ด่พระสงฆ์ถวายเสยนาสนะ กี่ว่าใสเป็นต้นเหล่านี้วิหารเอยรรเอยาศาสตท์เออยังหลายเหล่านี้พระเจ้าทรงอนุ ญ, ญาตฉะนั้นทั้งนิปริยาญาอมิตรเหล่านี้อมิตรโดยตรงเหล่านี้เป็นของพระเจ้าพระเจ้าทรงอนุญาตนิประการส่วนปริยายาอมิตรก็เชื่อเป็นของพระเจ้าเหมือนกันนะเนื่องจากพระเจ้าปราศสอนไว้สาวกทั้งหลายรู้พ้นนิปรัถนาพบสมบัติก็ให้ทานสมาทานศีลเป็น BET ต้นทําสมาบัติให้เกิดขึ้น ก็ย่อมได้ปริยาารยาอมิตรทิพยสมบัติมนุสมบัติโดยลาดับเพราะเหตุที่ทั้งนิปริยธรรมทั้งปริยธรรมทั้งนิปริยยาอมิตรและปริยยามิตรชื่อว่าเป็นของพุทธเจ้าธรรมนั้นเองฉะนั้นเมื่อทรงสัตว์พระองค์เป็นเจ้าของแห่งธรรมะและอมิตรเนี่ยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรมาานม ร, รมทายาทจงอย่าเป็นอมิตรสตายาทต่อจางธรรมทั้งสองอย่างเป็นของเราเธอทั้งหลายจงเป็นทายาทแห่งธรรมนั้นเถิด ส่วนอามิตนั้นใดซึ่งเป็นของเราแต่ฐานโคดเหมือนกันขอเธอทั้งหลายจงอย่าเป็นทายาทแห่งอมิตรนั้นเลยเธอทั้งหลายจงเป็นเจ้าของแต่เฉพาะส่วนที่เป็นธรรมะนั่นเถิดอย่าเป็นส่วนที่เป็นอามิตรเลยภิกษุใดบวชในศาสนาของพระชษฐเจ้าอยู่โดยมุ่งหวังแต่จะหาปัจจัยหรือเห็นแก่ปัจจัยสี่ซึ่งเป็นเหตุแห่งตัณหาทอดทุระในการปฏิบัติธรรมตามที่ควรแก่ทมก็คือไม่เจริญ ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าอมิสทานาขอเถอทั้งหลายจงอย่างเป็นเช่นนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าขอร้องส่วนภิกษุรูปใดอาศัยคุณธรรมมีความเป็นผู้มักน้อยสันโดษในปัจจัยที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้พิจารณาอย่างละเอียดก่อนแล้วก็เสดพิจารณาที่อยู่อาศัยแล้วจึงค่อยเสดจึงใช้สอยพิจารณาอาหารอย่างละเอียดแล้วจึงใช้บริโภคพิจารณาที่อยู่พิจารณาเครื่องลูกผมพิจารณายา พิจร า, ารณาลาบสกาลาทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วจึงใช้สอยได้ปัจจยเบี้ยปัญญาและก็ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตนเองนั้นเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญานี้ที่ว่าเป็นธรรมะทายาทขอเธอทั้งหลายจงเป็นเช่นนี้เถิดเออพุทธเจ้าขอร้องอย่างนี้นะเออเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ะเด็มองเห็นในหลักการในพุทธศาสนาหรือว่าพุทธเจ้าชัดเจนในเรื่องนี้ไมเนี่ยสอนหลักปฏิบัติให้กับเราได้ได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้เข้าถึง